พระทเจ้าได้ทรงตัดสอนไว้ว่าญติสันติพลังสุด ข, ขังสุดที่เหนือกว่าความสงบไม่ดีความสุขที่ดีที่สุดความสุขที่ประเสริฐที่สุดคือความสุขที่เกิดจากความสงบทางที่เราจะได้ ความสุขที่เกิดจากความสมกุกเราก็ต้องเลอกหาความสุขทางร่างกายไปเพื่อที่เราจะได้เอาเวลามาทำใจให้สงบเพราะเมื่อใจสงบแล้วเราก็จะได้ความสุขที่เกิดจากความสมกุกที่เป็นความสุขเหนือความสุขข้างปล และเป็นความสุขที่ถาวรที่ไม่มีวันหมดไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือเหตุผลที่พระพุทธเจ้าทรงสละญาตชสมบัตแล้วออกบูตเพื่อที่จะได้มีเวลาไปหาความสมบุบไปหาความสุขที่เติดแจางความสมบุบ ต้องสละความสุขทางร่างกายความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายความสุขทางลาบลบเสน่ห์ความสุขทางลูกขี้นิ้วจีบลปวดตาเพราะเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่ได้มาแล้วก็หมดไปเมื่อหมดก็ต้องหาใหม่หาใหม่ได้มาหมดก็หมดไป ก็ต้องหาอยู่เรื่อยๆหาไปจนวันตายพอตายแล้วก็ต้องกลับมาเกิดใหม่เพราะความอยากที่จะหาความสุขแบบนี้ยังไม่หายไปยังไม่หมดไปยังอยู่ในใจที่ไม่ตายใจที่ไม่ตายก็เลยต้องมามีร่างกายใหม่ เพื่อจะได้มาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายหาความสุขจากภาพนึกสรรเสริญจากโลกสิ่งเกตงยอดโตดัภาพแล้วก็ต้องมาทุกกับเวลาที่ความสุขที่ได้มานั้นหมดไปแล้วก็ต้องทุกกับการหาความสุขใหม่มาเติมอยู่เรื่อยๆแล้วก็ต้องมาทุกกับตอนที่ไม่สามารถที่จะหา ความสุขทางตาหูจมูกยิ้มกายทารูปเสียงกลิ่นลดผลทุพภะได้แล้วบางทีก็ขาดขาเครื่องไม้เครื่องมือเช่นเงินทองถ้าเงินทองไม่มีจะไปหาความสุขทางตาหูจมูกยิ้งกายก็าหาไม่ได้พอต้องใช้เงินทองซื่อความสุขต่าง หรือถ้าร่างกายได้สบายก็หาไม่ได้ร่างกายชร า, าภาพเมื่อมีเลี้ยวไม่มีอะ ไ, ไรก็หาไม่ได้หรือร่างกายตายก็หาไม่ได้ในช่วงที่หาความสุขไม่ได้ช่วงนั้นก็เป็นความทุกข์ท่ระบาดใจนี่คือความทุกข์ของผู้ที่หาความสุขผ่านทางร่างกาย พระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าพระองค์จะต้องพบ ก, กับความทุกข์หนาแน่นถึงแม้ว่าตอนที่พระองค์ทรงเห็นอนาคตเกิดร่างกายของพระองค์ว่าจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถึงแม้ว่าตอนนั้นพระองค์ยังสามารถหาความศึกษาหน้าหูจะเบินกนิ้มได้เลย หาความสุขจากลน้ตเสียงกินวัตถุตัวภาพได้อยู่แต่พระองค์ก็ทรงรู้ว่ามันจะต้องมีวันสิ้นสุดมันจะต้องมีวันจบแต่ใจของพระองค์ไม่มีความปรารถนาที่จะให้บรรจบอยากจะให้มีความสุขไปเรื่อยเป็นทำให้พระองค์มีความไม่สบายว่าใย เาทงที่ยังได้แก่ยังไม่เจ็บยังไม่ตายแต่เพียงแต่คิดถึงอนาคตของความแก่ความเจ็บความตายที่จะทา้าที่จะตามมาก็ทําให้พระองค์ไม่มีความสุขกับน้าคลดสมเสธไม่มีความสุขกับเมธีเกิดวัฏส ง, งสารเหตุการณ์ไม่ร้อนเจ้าจะหนาแน่จะสมบัติเพื่อที่จะได้แปหาความสุข ที่ไม่ต้องใช้ร่างกายที่สามารถมีความสุขได้เวลาที่ร่างกายแก่เวลาที่ร่างกายเจ็บเวลาที่ร่างกายตายไปเป็นความสุขที่ไม่ต้องใช้ร่างลดแสงมาเสือไม่ต้องใช้โน้ติสียกิ่รสสุนทบเพียงแต่ใช้ทำที่จะมาทำใจให้สงบเท่านั้นก็คือสีสมาธิสัญญา บำเป็ญสละวิธีหาความสุขแบบเดิมสละการหาความสุขทางร่างกายทางราบยกแขนและเสือทางเลือเสียนจิตร่ปวสภาแล้วก็ออกไปตีวิเวอยู่ในป่าในเขาเพราะเป็นสถานที่ที่เหมาะกับการบำเพ็ญจิตต่อเนา่างเป็นการก็ เป็นการสร้างความสงบสร้างความเป็นรรมใจด้วยการรักษาเสียงให้บริสุทธิ์เพราะการกระทํำบาปจะไม่ทําให้ใจสงบแต่ทาให้กายใจรุ่งร้าวมึตกกังวลเดือดร้อนจึ็นจาเป็นที่จะต้องรักษาเสียงและยุติการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นการ เช่นรับประทานอาหารงอนมือเดียวสําหรับพระปฏิบัติในท่านจะนม่ยอมรับประทานอาหารรับประทานอาหารเตรียมหนวเรือคลั่งก็พอพอที่จะดูแลารักษาร่างกายให้อยู่ได้อย่างสุขอย่างสบายไม่ติดไข้ได้ส่วเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเสียเวลากับการรับประทานอาหารหาอาหารมารับประทาน จะได้เอาเวลามาในการสร้างความสุบให้แก่ใจสร้างความสุขให้แก่ใจนี่เป็หน้าที่ของศีล้องการไม่ให้ใจไปทำสิ่งที่ทำให้เกิดความทุกข์วุ่นวายใจเช่นการฆ่าสัตว์รักทรัพย์การบังเพลิดประยปตโตยชนการพูดรุกรกการเหึ็นสรารยาแมวเปนการกะทำที่จะทำให้เกิด ความไม่สบายใจต่างๆขึ้นมาได้ทําให้ใจไม่สมบไม่มีความสุขนอกจากนั้นก็ยังมีศีลที่ห้าไม่ให้หาความสุขทางๆาข อ, อยู่งกายเช่นห้าไม่ให้ร่วมหลับนอนกับผู้อื่นไม่ให้รับประทานอาหารมากเกินไปรับประทานอาหารมากเกินไปก็เป็นโทษเพราะจะทำให้ง่วงนอน จะทําให้เวลานั่งสมาธิทําใจให้สงบนี้จะหลาจะไม่สามารถที่จะทำได้จึงต้องรับประทานอาหารพอ ป, ประมาณพอให้ร่างกายู่หน้ากะระเพะแต่ไม่ให้อิ่มากเกินเกินไปจนถึงจะทําให้เกิดควา ม, มง่วงนหงาหงายนอนขึ้นมาแล้ ว, ลวก็ละเว้นจากการหาความสุขทางตาหูจมูกหินกาย ด้วยการไปดูมองรับศพหรือเรื่องบันเทิงต่างๆรับเงินจากการแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งความงามทางร่างกายอละารับินจากการนอนมากเกินไปนอนพอประมาณให้น่างกายได้รับของพอก่อนนอนบนพนะุ่งหนาหนานอนบนเตียที่สบาย ก็จะนอนมากกว่าความ ป, ป็นของร่างกายพอนร่างกาได้ท่าพอแล้วถตึงขึ้นมาก็ก็เกิดความเกียดค้านอยากจะนอนต่อเพราะว่ามันสุขมันสบายอันนี้ก็เป็นสีหน้าที่ของสีเพื่อรักษาไม่ให้ใจวุ่นวายไปกับการกระทา ต่างๆและละ ง, งับการกระทำที่จะทำให้ไม่มีเวลามาทำใจให้สงบผู้ปฏิบัติหรือผู้บาเพ็ญจึงต้องรักษาศีลแปดขึ้นไปศีลแปดศีลสิบศีลสองรอยี่สิบเจ็ดน 10, ี่อันนี้เป็นศีลสำหรับผู้ที่ต้องการจะมาปฏิบัติทำใจให้สงบ สินห้านี้เป็นสินของผู้ที่ยังไม่พร้อมที่จะมาบำเพ็ญมาทำใจให้สงบเป็นผู้ที่ยังหาความสุขทางร่างกายอยู่ก็ให้หาความสุขแบบที่ไม่เกิดโทษไม่เกิดปัญหาตามมาเช่นร่วมหลับนอนก็ให้ร่วมหลับนอนกับคู่ครองของตนไม่ไปร่วมหลับนอนกับคนอื่นต้องการจะ ได้อะไรมาก็ไม่ให้ไปลักไปขโมยไปชอบไปโกงไปโกหกหลอกลวงอันนี้เป็นศีลของผู้ที่ยังไม่พร้อมที่จะมาหยุดใจทำใจให้สงบยังต้องหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกิริลดปพะเยือ่อ ก็ให้มีศีลห้านี้ไว้คอยควบคุมการกระทาเพื่อไม่ให้ไปหาลาบยศสารเสริญไปหารูปเสียงกลิ่นลดผลทพที่เป็นอันตรายต่อตอนเองที่จะเป็นโทษตามมาเช่นไปหาทรัพย์ด้วยการไปฆ่าผู้อื่นไปรักทรัพย์ไปป้นไปจี้แล้วก็อาจจะต้องมีการต่อสู้กัน ก็เลยฆ่าผู้อื่นจนเสียชีวิตเพื่อจะได้เอาทรัพย์เขามาใช้ไปซื้อความสุขต่างๆถ้ายัางจะหาความสุขจากทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองสิ่งของต่างๆก็ให้หามาโดยที่ไม่ต้องไปทําผิดศีลให้รักษาศีลห้าไว้จะได้ไม่วุ่นวายไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนจะได้มีความสุข ถึงแม้ว่าจะเป็นความสุขชั่วคราวก็เป็นความสุขที่พอที่จะบรรเทาความ <c oughs> ความทุกข์ความความอะไรต่างๆความไม่สบายใจต่างๆได้ไปในระดับหนึ่งแต่เป็นการบรรเทาชั่วครั้งชั่วคราวและต้องมีการบรรเทาไปเรื่อยๆจนวันตายตายไปแล้ว ความไม่สบายใจก็ยังมีอยู่ความไม่สบายใจที่เกิดจากความอยากที่จะหาความสุขทางร่างกายยังมีอยู่ก็จะทำให้กลับมาเกิดอีกแต่ถ้ารักษาศีลห้าได้เวลาที่ตายไปก็ไม่ต้องไปเกิดในอบายไม่ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานไม่ต้องไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายไม่ต้องไปใช้กรรมในนรก ตายไปก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้เลยกลับมาเกิดม น, มนุษย์เพื่อที่จะได้หาความสุข <c oughs> ทางร่างกายต่อไปแต่ก็จะต้องทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุด เ, เกิดมาแล้วก็หาความสุขจนแก่เจ็บตายพอตายไปแล้วก็กลับมาเกิดใหม่มาหาความสุขใหม่จนแก่เจ็บตายไปใหม่ หาอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันเส้นสุดแต่ถ้าเราได้มาพบกับคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนว่านัตติสันติปรังสุขขังไม่มีความสุขอันใดในโลกนี้ที่จะดีเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบเพราะความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือสร้างขึ้นมาอ สามารถใช้ศีลสมาธิปัญญาเป็นเครื่องมือแทนที่จะทำให้ใจสงบแล้วจะทำให้เกิดความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงนี้ได้นี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการที่เราได้มาพบกับพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเราจะได้รู้จักวิธีหาความสุขอีกรูปแบบหนึ่งเป็นความสุขที่ดีกว่า เพราะเป็นความสุขที่ถาวรพอหามาได้แล้วก็ไม่ต้องหาอีกต่อไปไม่เหมือนกับความสุขทางร่างกายที่เราหามาได้แล้วแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปหมดไปแล้วเราก็ต้องหามาใหม่เช่นไปดูภาพยนตร์แล้วเราได้ความสุขจากการดูภาพยนตร์แล้วเดี๋ยวเราก็อยากจะดูภาพยนตร์เรื่องใหม่ต่อ ความสุขที่ได้จากภาพยนตร์เรื่องเก่ามันก็หมดไปต้องหาความสุขจากการดูภาพยนตร์เรื่องใหม่เราก็เลยต้องติดตามภาพยนตร์ต่างๆที่เขาผลิตออกมาอยู่เรื่อยๆเราก็ดูกันไปอยู่เรื่อยๆเช่นเดียวกับของต่างๆที่เราซื้อซื้อมาแล้วเราก็มีความสุขแล้วสักพักหนึ่งเราก็เบื่อก็รอซื้อ ของใหม่ที่ออกมาพอมีของออกใหม่ก็ซื้อมาอีกเพื่อที่เราจะได้มีความสุขอีกเป็นความสุขช่วงสั้นๆช่วงที่เราได้ของมาใหม่ๆแล้วพอได้มาสักพักหนึ่งแล้วความสุขที่ได้จากของนั้นมันก็จะหมดไปก็ต้องซื้อของใหม่อยู่เรื่อยๆนี่เป็นลักษณะของความสุขที่พวกเราไม่ต้องทำกันถ้าเราได้พบกับ วิธีหาความสุขแบบถาวรแบบว่าได้มาครั้งเดียวแล้วจบมวนเดียวจบถ้าได้ความสงบนี้แล้วได้ความสุขที่เกิดจากความสงบนี้แล้วมันจะให้ความสุขกับเราไปตลอดไม่มีวันจางหายไปไม่ต้องไปหามาอยู่เรื่อยเหมือนกับความสุขทางร่างกายอันนี้จะ เกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาที่นานๆจะปรากฏขึ้นมาให้โลกให้เป็นที่พึ่งของโลกได้สักครั้งหนึ่งให้เป็นแสงสว่างนำทางพาสัตว์โลกให้ไปพบกับความสุขที่แท้จริงให้ไปพบกับความสุขที่ถาวรให้สัตว์โลกได้หลุดพ้นจากความทุกข์ที่ไปหาความสุขที่ชั่วคราว ความสุขทางร่างกายเพราะว่าการหาความสุขทางร่างกายก็ต้องมีร่างกายร่างกายก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเวลาร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายตา ย, ตายก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมานี่คือโอกาสหรือโชควาสนาของพวกเราที่ได้มาพบกับคำสอนของพระพุทธเจ้า ได้เรียนรู้วิธีที่พระพุทธเจ้าได้ท่งพบกับความสุขอันนี้ตอนต้นพระพุทธเจ้าก็เป็นเหมือนพวกเราเกิดมาก็เกิดมาเป็นมนุษย์มีร่างกายแล้วก็ใช้ร่างกายนี้หาความสุขต่างๆทรงได้มาเกิดเป็นพระราชโอรสก็เลยมีายลาภยศสรรเสริญมีความสุขมากกว่าคนทั่วไปถึงแม้ว่าจะมีความสุขมาก ขนาดไหนพระองค์ก็ทรงเห็นว่ามันเป็นความสุขชั่วคราวต้องคอยหาอยู่เรื่อยๆต้องคอยจัดงานเลี้ยงอยู่เรื่อยๆจัดงานเลี้ยงวันนี้จะหลงการกินกันเสพกันมีความสุขกันพอวันรุกขึ้นความสุขที่ได้จากงานเลี้ยงก็หายไปหมดก็ต้องจัดงานเลี้ยงใหม่จัดกันไปกี่ครั้งกี่คราวมันก็เหมือนกันได้ความสุข เดี๋ยวเดียวแล้วเดียวมันก็หมดไปแล้วพอมาคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายเขา้าก็จะเห็นว่าต่อไปจะไม่สามารถหาความสุขแบบนี้ได้แล้วจึงอยากจะไปหาความสุขในรูปแบบใหม่เพราะได้เห็นนักบวชผู้ที่ไปหาความสุขอีกรูปแบบหนึง่ง ก็เลยสนใจอยากจะลองไปหาความสุขแบบนักบวชก็เลยตัดสินพระทยสละราชสมบัติในวันที่ได้ทรงทราบข่าวว่าพระมเหสีได้คลอดพระโอรสออกมาพระองค์ก็ทรงเห็นว่าถ้าอยู่ต่อไปก็จะไม่สามารถที่จะสละราชสมบัติ เพื่อที่จะไปออกไปหาความสงบหาความสุขที่เกิดจากความสงบได้เพราะความผูกพันกับพระโอรสเนี่ยพระองค์ก็เลยทรงตัดสินพระไทยหนีออกจากพระราชวังไปในคืนนั้นเลยเพื่อที่จะได้ไปหาความสุขทางใจหาความสงบหาความสุขที่เกิดจากความสงบนจําเป็นที่จะต้อง ยุติการหาความสุขทางร่างกายเพราะความสุขทั้งสองแบบนี้ไม่สามารถหาไปพร้อมๆกันได้นั่นเองความสุขทางร่างกายทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้ต้องใช้ใจต้องใช้ความคิดเป็นผู้กำกับเป็นผู้ใช้ใจให้ไปหารูปเสียงกินลดให้ไปห า, าลาบยศสรรเสริญ เมื่อใจต้องทํางานใจก็จะไม่มีวันสงบได้จึงต้องยุติการหาความสุขเพื่อใจจะได้ไม่ต้องมาคิดมาหาความสุขทางตาหูจะบูกนิ้งกายเพื่อใจจะได้สงบได้นั่นเองโดยต้องออกไปอยู่ไกลๆจากความสุขทางร่างกายเพราะถ้าอยู่ใกล้ความเคยชินความอยาก ความชอบมันจะดูดดึงให้กลับมาหาความสุขทางร่างกายอีกจึงจาเป็นต้องไปอยู่ในที่ห่างไกลที่ไม่มีความสุขทางร่างกายเพื่อที่จะได้หักห้ามจิตใจได้ง่ายเพื่อที่จะได้มาบำเพ็ญมาท่ามาทำใจให้สงบได้ง่ายผู้ที่บำเพ็ญความสุขทางใจจึงจาเป็นจะต้องไปปรีกวิเวก ไปอยู่คนเดียวไปสำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายไปควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายไม่ให้ไปหารูปเสียงกลิ่นลดผลทพะมาเสพนั่นเองเพราะถ้าเสพใจก็จะไม่มีวันสงบได้จึงต้องละจึงต้องมาถือศีลแปดศีลแปดก็เป็นข้อห้ามไม่ให้ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายพอ รักษาสีนต่าได้แล้วก็จะมีเวลามาควบคุมใจให้สงบทมที่จะทำให้ใจสงบเรียกว่าสติก็ต้องมาเจริญสติอย่างต่อเนื่องมาคอยหยุดความคิดอย่างต่อเนื่องเพราะความคิดนี่แหละที่ทำให้ใจไม่สงบถ้าหยุดคิดได้เมื่อไหร่ใจก็จะสงบเมื่อนั้นดังนั้นจึงต้องมีสติ เพราะสตินี้จะเป็นเครื่องมือที่จะหยุดความคิดต่างๆได้นั่นเองเช่นถ้าเราบริกรรมพุทโธพุทโธนี่เรียกว่าเป็นการเจริญสติถ้าเราบริกรรมพุทโธพุทโธเราก็จะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องต่างๆได้ไม่เชื่อลองทํำดูลองบริกรรมพุทโธพุทโธไป เราดูว่าจะคิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้ได้หรือไม่ถ้าเราบริกรรมไปเราจะไม่สามารถคิดได้แต่ใหม่ๆมันอาจจะวัดหนีไปคิดได้ในระหว่างที่เราบริกรรมพุทโธอยู่เพราะพุทโธของเรายัางไม่กระชับยังไม่แน่นหนายัางมีช่องว่างให้มันวัดไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ แต่ถ้าเราไม่ไปสนใจไปคิดตามมันเดี๋ยวมันก็จะหายไปถ้าเราคิดอยู่กับพุโทโธพุทโธไปเพียงอย่างเดียวต่อไปความคิดต่างๆมันก็จะหายไปแล้วถ้าเรานั่งเฉยๆนั่งหลับตาถ้าเราไม่คิดอะไรคิดอยู่กับพุโทโธเดี๋ยวพุโทโธก็จะพาจิตให้ไปตกหลุมตกหมอให้ลวมเข้าสู่ความสงบพอจิตเข้าสู่ความสงบแล้ว ความสุขที่เกิดจากความสงบคือนัตติสันติปรังสุขขังก็จะปรากฏขึ้นมาถ้าลองได้สัมผัสกับความสุขแบบนี้เพียงครั้งเดียวแล้วก็จะเกิดความยินดีเกิดความติดใจขึ้นมาถึงแม้ ว, ว่าจะสงบเพียงแค่แป๊บเดียวเพราะนี่คือลักษณะของจิตที่สงบใหม่ๆจะสงบได้ไม่นาน ก็กำลังของสติยังมีไม่มากพอยังมีกําลังของกิเลสตัณหาคอยดันใจให้ออกไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่แต่ก็พอให้ได้สัมผัสกับความสงบเป็นครั้งแรกว่าเป็นอย่างไรถ้าได้สัมผัสกับความสุขที่เกิดจากสงบนี้แล้วแม้แต่เป็นเพียงชั่วระยะแป๊บเดียว มันก็จะทำให้เกิดมีกําลังใจ <Yes. S 1> เกิดมีความยินดีที่จะต่อสู้กับกิเลสตัณหาความอยากที่จะไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายมีกําลังใจที่จะหมันเจริญพุทโธพุทโธหมันเจริญสติไปอยู่เรื่อยๆวิธีเจริญสตินอกจากพุทโธแล้วก็ยังมีวิธีอื่น ถ้าเราจะเฝ้าดูการกระทาของร่างกายก็ได้ให้ใจเกาะติดอยู่กับการกระทำของร่างกายอยู่ทุกขณะเราก็จะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องต่างๆได้เช่นเดียวกันแล้วถ้าเรานั่งเฉยๆถ้าเราดูลมหายใจเข้าออกเฝ้าดูลมหายใจเข้าออกเราก็สามารถที่จะ ดึงใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆได้ถ้านั่งเฉยๆดูลมหายใจเข้าออกเดี๋ยวลมหายใจเข้าออกก็จะดึงให้เราไปตกหลุมตกบ่อให้เราเข้าสู่ความสงบต่อไปเพะนั้นการเจริญสตินี้มี ม, ม, ม, มีมีหลากหลายวิธีด้วยกันที่เรียกว่ากรรมฐานสี่สินี้เป็นเป็นอารมณ์ของการเจริญสติทั้งนั้น เช่นในกลุ่มของอนุสตินี้ก็มีอยู่สิบประการเช่นพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติพุทธานุสติก็ระลึกถึงพระพุทธเจ้าจะระลึกแบบสวดบทพุทธคุณไปก็ได้เอติปิโสหรือจะระลึกด้วยการระลึกถึงชื่อของพระพุทธเจ้าคือพุทโธพุทโธไปก็ได้ ธรรมานุสติก็เช่นเดียวกันระลึกถึงพระธรรมกุณจะสวดสวัสด์ขาโตพระกวตาธโมไปก็ได้หรือจะบริกรรมธโมธโมไปก็ได้แส ง, งคุณก็จะระลึกถึงคุณของพระสงฆ์ก็ได้สุปฏิปันโนอุชุยายะสามีจิปฏิปันโนไปก็ได้ หรือจะบริกรรมสังโฆสังโฆไปก็ได้อันนี้ใช้แทนกันได้จะใช้พุทธโธก็ได้ธรรมโมก็ได้สังโฆก็ได้หรือถ้าจะเลอ ก, กถึงความตายก็ได้แะ้เลอกถึงความตายไปก็เลอกว่าหายใจเข้าถ้าไม่หายใจออกก็ตายหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ตายคิดถึงความตายอยู่เรื่อย ก็สามารถทำใจให้เข้าสู่ความสงบได้เช่นเดียวกันหรือจะระลึกดูลมหายใจเข้าออกก็ได้นั่งหลับตาแล้วก็เพ่งดูที่ปลายจมูกหรือที่กลางอกดูเวลาลมเข้าก็รู้ว่าเข้าเวลาออกก็รู้ว่าออกให้รู้เฉยๆไม่ต้องไปบังคับลมไม่ต้องตามลมเข้าออกให้ดูอยู่ที่จุดเดียวก็จะสามารถทาใจให้สงบได้เช่นเดียวกัน นี่คือกลุ่มของอนุสติพุทธานุสติสังขานุสติธรรมานุสติอานาปนสติมรณานุสติกายะกตาสติก็ระลึกถึงร่างกายอยู่เรื่อยๆเช่นดูการเคลื่อนไหวของร่างกายในอิริยาบถต่างๆในการกระทําต่างๆเพื่อไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ได้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 น้ำดีน้ำเสลดน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำมันข้นน้ำตาน้ามันเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำไขข้อน้ำมูดนี่ก็เรียกว่ากายกตาสติถ้าใจเราจดจ่ออยู่กับอาการต่างๆเหล่านี้ก็จะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้คนนั้นคนนี้ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ได้ใจก็จะสงบได้เข้าสู่ความสงบได้ นี่คือตัวอย่างของอนุสติมีอยู่สิบชนิดด้วยกันมีเทวานุสติและเลอกถึงเทวดาก็ได้ก็ทำใจให้สงบได้และเลึกถึงความว่างก็ได้ให้เห็นว่ามีแต่ความว่างไม่มีอะไรนึกถึงท้องฟ้านึกถึงอวกาศที่ว่างใจว่างใจไม่ไปคิดอะไรอยู่กับความว่าง ใจก็สงบได้เหมือนกันอันนี้เป็นวิธีการสร้างสติต่างๆขึ้นมาที่อยู่ในกลุ่มอนุสติในกลุ่มอสุภะก็สามารถทำใจให้สงบได้ถ้าเราดูศพชนิดต่างๆศพตายใหม่ศพตายเก่าศพขึ้นอืดขึ้นพองศพเขียวชำ้ำศพที่ถูกตัดออกเป็นชิ้นๆ สุศพที่ถูกแรงการมากัดมากินสุศพที่เน่าเปื่อยศพที่แห้งกรอบเหลือแต่กระดูกเป็นต้นดูอาการต่างๆเหล่านี้ของร่างกายก็เรียกว่าอสุภะกรรมฐานก็จะทำให้ใจสงบได้เหมือนกันหรือจะเพ่งดูสีต่างๆสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีขาวอันนี้ก็เป็น การเพ่งเรียกว่ากัะสินเพ่งกับอยู่กับสีนี้เช่นนึกถึงสีเขียวถ้าไม่รู้ว่าสีเขียวเป็นอะไรก็เปิดตาดูสีเขียวก่อนดูใบไม้ก่อนแล้วก็จำสีเขียวนั้นไว้เอาเข้ามาในใจแล้วพยายามให้มีสีเขียวปรากฏขึ้นมาในใจถ้าเราเพ่งอยู่กับสีเขียวไปเรื่อยๆใจก็จะสงบได้ อันนี้ก็เรียกว่ากะสินะกะสินก็มีสิบนอกจากสีแล้วก็มีเพ่งน้ำเพ่งลมเพ่งไฟเพ่งดินดูลมดูไฟดูน้ำดูดินก็ได้ก็ทำใจให้สงบได้เหมือนกันนี่คือตัวอย่างของการสร้างสติขึ้นมาอขอใ้ใจเราอยู่กับกรรมฐานเหล่านี้ อย่าไปอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสอย่าไปอยู่กับลาบยศสรรเสริญถ้าเราไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสคิดถึงลาบยศสรรเสริญคิดถึงบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้ใจเราก็จะเกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาใจจะไม่สงบทุกวันนี้ที่ใจเราไม่เคยสงบกันเพราะว่าเราตั้งแต่ตื่นขึ้นมานี้เราคิดถึงอะไรล้วก็คิดถึงการหาลาบยศสรรเสริญ การหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายกันนี้แล้วพอคิดแล้วใจก็ต้องไปขวนขวายไปดินน้นรนไปหาลาบยุดสารเสริญไปหาลู่เสียงกิ่นลดผลทพะกันแล้วก็ต้องมาดิ้นรนกับการเลี้ยงดูร่างกายที่เป็นเครื่องมือในการที่จะไปหาความสุขต่างๆไปวุ่นวายกับการหาการดูแลรักษากัน เลยไม่เคยพบกับความสงบแม้แต่นิดเดียวเลยในชีวิตถ้าไม่ได้มาพบกับกรรมฐานสี่สิบถ้าไม่เคยได้ยินเรื่องของกรรมฐานสี่สิบนี้จะไม่รู้เรื่องของการทำใจให้สงบจะไม่รู้เรื่องของความสงบว่าเป็นความสุขอย่างยิ่งนี้เป็นอย่างไรเนี่ยต้องมีพระพุทธศาสนาเท่านั้นถึงจะเป็นถึงจะมีเรื่องราวเหล่านี้มาให้พวกเรารับรู้กัน เพื่อที่พวกเราจะได้เปลี่ยนเป้าหมายของความคิดของพวกเราจากการไปคิดหาลาภยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นลดปวดทพะให้เรามาคิดกับกรรมฐานกันให้เราคิดกับพุทโธกันคิดกับธรรมโมกันคิดกับสังโคกันคิดกับความตายกันคิดกับร่างกายคิดกับอาการสามสิบสองของร่างกายและคิดถึงซากศพของร่างกายในสภาพต่าง ถ้าคิดอยู่กับเรื่องราวเหล่านี้แล้วใจจะหยุดคิดใจจะสงบใจจะเข้าสู่ความสงบเข้าสู่ความสุขที่เกิดจากความสงบได้แล้วเราก็จะได้พบกับความสุขที่เราไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องใช้ลาบยศสรรเสริญไม่ต้องใช้รูปเสียงกลิ่นรสเราก็ไม่ต้องไปหาสิ่งเหล่านี้อีกต่อไปเมื่อเราไม่ต้องหาเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิด ไม่ต้องมามีร่างกายอีกต่อไปเมื่อไม่มีร่างกายก็ไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายกันนี่คือเรื่องของการหาความสุขทางใจหาความสุขที่เกิดจากความสงบที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงจะหาได้ก็ต้องมีศีลต้องรักษาศีลแปดกันต้องไปปลีกวิเวกต้องไปอยู่กันตามลาพังไม่คุกคีกัน ถึงแม้จะไปอยู่ในวัดในที่สํานักปฏิบัติอันเดียวกันก็ไม่คุยกันเพราะคุยแล้วก็จะทําให้ใจไม่สงบใจก็จะฟุง้งซ่านใจก็จะคิดไปเรือเ่อยเปื่อยจึงต้องไม่คุยกันไม่พบปะกันถ้าพบปะกันมาทํากิจกรรมร่วมกันก็ต่างคนต่างทําหน้าที่ของตนไปไม่มาคุยกันอเพราะกิจกรรมทางวัดนี้จะ ทำให้ใจสงบนะเช่นมาไหว้พระสวดมวนต์ร่วมกันก็สวดมวนต์กันไปมานั่งสมาธิก็นั่งกันไปอย่าคุยกันพอเสร็จจากทํากิจกรรมร่วมกันก็กลับไปที่พักของตนแล้วก็ไปทํากิจกรรมต่อไปไปเจริญสติต่อไปไปบริกรรมพุทโธต่อไปหรือไปดูอาการสามสิบสองหรือระลึม ล, ลึกถึงความตาย ด้วยการนั่งสลับกับการเดินไปเดินจงกรมก็จเจริญสติไปจเจริญปัญญาไปนั่งสมาธิก็จเจริญสติไปใจก็จะอยู่กับความสงบใจก็จะหยุดความหิวความอยากที่จะหาความสุขทางตาหูจมูกเล้นกายได้ถ้าเราได้พบกับความสุขรูปแบบใหม่แล้วเราจะไม่ยินดีกับความสุขรูปแบบเก่า เหมือนกับเราได้ของใหม่ที่ดีกว่าของเก่าถ้าเราได้โทรศัพท์รุ่นใหม่ล่าสุดนี่โทรศัพท์รุ่นเก่านี้เราก็ไม่สนแล้วยกให้คนอื่นได้นะเพราะเราได้ของของใหม่ที่ดีกว่าของเก่าฉันใดถ้าเราได้พบกับความสงบได้พบกับความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วเราก็ไม่ต้องหาความสุขทางร่างกายอีกต่อไป นี่คือสิ่งที่พวกเราควรที่จะขวนขวายกันเพราะเป็นการแก้กปัญหาแบบเบ็ดเสร็จแบบถาวรถ้าเราได้พบกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงความสุขที่เกิดจากความสมบแล้วจะไม่มีความทุกข์ต่างๆตามมาเหมือนกับการหาความสุขผ่านทางร่างกายถ้าหาความสุขผ่านทางร่างกายนี้จะมีความทุกข์ หลากหลายตามมาทุกที่เกิดจากการที่สูญเสียสิ่งที่เรารักไปสิ่งที่เราสิ่งที่ให้ความสุขกับเราไปเช่นเรามีข้าวของที่เรารักเราชอบให้ความสุขกับเราถ้าเวลามันหายไปมันก็ทําให้เราทุกข์ขึ้นมาถ้าเป็นคนที่เรารักถ้าเขาจากเราไปก็ทําให้เราทุกข์ขึ้นมาแล้วเวลาที่เราไม่มีเราไปหาสิ่งที่เราอยากได้มันก็ทาให้เราทุกข์ เพราะเราต้องเหนื่อยยากกับการหากว่าจะได้มาก็ถ้าเป็นแทบตายหรือบางทีหาไม่ได้ก็ทําให้เราทุกข์เหมือนกันนี่คือความทุกข์หลากหลายที่จะเกิดขึ้นจากการที่เราไปหาความสุขทางร่างกายไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายทางรูปเสียงกลิ่นรสทางลาบยศสรรเสริญกันเอ แต่ถ้าเรามาหาความสุขจากการทำใจให้สงบนี้ความทุกข์ต่างๆเหล่านี้จะไม่มีเลยเพราะความสุขที่ได้จากความสงบนี้ไม่ต้องใช้อะไรไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องใช้ลาบยศสรรเสริญไม่ต้องใช้รูปเสียงกลพพิ่นรสผลทพะแล้วได้มาแล้วก็ไม่หมดถ้าเราได้ความสงบมาแล้วมันก็จะไม่หมด เครื่องมือที่เราใช้ในการหาความสงบพอได้มาแล้วมันก็ไม่หมดพอเรารักษาศิ้นแปดได้แล้วมันก็จะรักษาศิ้นแปดไปได้เรื่อยๆพอเราสร้างสติขึ้นมาได้แล้วเราก็จะมีสติไปเรื่อยๆพอเรานั่งสมาธิได้แล้วใจก็จะสงบไปเรื่อยๆพอเราได้ปัญญามาแล้วได้เห็นว่าความทุกข์ต่างๆเกิดจากความอยากของเราเอง มันก็จะอยู่กับเราไปมันจะไม่ลืมมันจะไม่หลงไม่ลืมทุกครั้งที่เกิดความอยากมันก็จะบอกว่ากำลังไปหาความทุกข์นะพอรู้ว่าเป็นหาความทุกข์ก็หยุดความอยากอยู่กับความสงบดีกว่านี่คือการแก้ปัญหาแบบเบ็ดเสร็จดับความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจของพวกเราอย่างราบคาบอย่างถาวร อย่างไม่มีวันที่จะเกิดขึ้นมาใหม่ได้อีกใจของพระพุทธเจ้าใจของพระสาวกทั้งหลายนี้ไม่มีความทุกข์อีกต่อหนงเหลืออยู่ในใจเลยและไม่มีวันจะโผล่ขึ้นมาได้อีกต่อไปใจของพระพุทธเจ้าใจของพระสาวกนี้มีแต่บร ม, มาสุขนิพพานังปรมังสุขขังนี่แหละคือความสงบความสุขที่เกิดจากความสงบ ก็คือนิพพานังประมังสุขขังนี้เองบรมมาสุขสุดยอดของความสุขก็คือความสุขของพระนิพพานพระนิพพานก็คือใจที่ไม่มีความอยากที่จะหาความสุขในรูปแบบอื่นนั่นเองใจที่ไม่มีความอยากที่จะหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลถภาจากร่างกาย ใจก็เลยไม่มีความทุกข์กับสิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะความสุขที่ได้จากาลาบยศสรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสจากร่างกายนี้มันไม่ถาวรนั่นเองมันชั่วคราวได้มาแล้วก็หมดไปพอหมดไปก็ความสุขก็หายไปความทุกข์ก็เข้ามาแทนที่เวลาเราสูญเสียสิ่งที่ให้ความสุขกับเราเราดีใจหรือเราเสียใจ เราร้องห่มร้องไห้หรือเรามีความสุขกันนี่แหละคือความทุกข์ของพวกเราที่เราหากันโดยไม่รู้สึกตัวโดยโดยถูกความหลงหลอกให้เราคิดว่าเรากำลังหาความสุขกันคิดว่าเราได้ราบยศสรรเสริญได้รูปเสียงกลิ่นรสปวดพทพะมาแล้วนี้เราจะมีความสุขกันไปตลอดแต่เราไม่เคยคิดถึงวันที่เวลาที่ลาบยศสรรเสริญ ที่รูปเสียงกิ่นรดผพธะนี้จากเราไปเลยของทุกอย่างนี้ไม่ช้าก็เร็วจะต้องมีวันพัดภาคจากกันชีวิตของเรานี้จะต้องมีวันสิ้นสุดเวลาชีวิตนี้สิ้นสุดของต่างๆความสุขต่างๆที่เราได้จากสิ่งต่างๆนี้มันก็จะหมดไปแต่เราไม่ได้คิดกันเวลาเราอยากได้ความสุขจากสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็คิดว่าเป็นความสุขอย่างเดียว ไม่เคยคิดว่ามันจะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาได้เลยคนจึงแต่งงานกันอยู่เรื่อยๆทุกวันนี้ทั้งๆที่เห็นคนที่เขาแต่งแล้วเขาร้องห่มร้องไห้กันแต่ก็ไม่สนใจก็ยังคิดว่าเป็นความสุขอยู่คนที่แต่งงานกันถ้าเป็นความสุขทำไมจะต้องมาร้องห่มร้องไห้กันทำไมจะต้องมาวุ่นวายกันทำไมจะต้องมาทะเลาะเบาแวงกันมีเรื่องมีราวกัน ทำไมต้องมาอย่าร้างกันถ้ามันเป็นความสุขเนี่ยก็มองไม่เห็นความหลงมันครอบงำจิตใจจนทำให้มองไม่เห็นความทุกข์ในความสุขเล็กๆน้อยๆที่กำลังหากันอยู่ไม่เห็นคไม่เห็นความทุกข์จากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพัชเลยเห็นแต่ว่ามันเป็นความสุขเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแล้วพอได้มาแล้วถึงจะมาร้องห่มร้องไห้กันในภายหลัง ตอนนั้นก็สายไปเสียแล้วไม่มีใครช่วยอะไรได้เหมือนกับปลาที่ไปฮุบเหยื่อเข้าเพราะคิดว่าเป็นเหยื่อล้วนๆไม่มีไม่มีเบ็ดเกี่ยวปากแต่พอไปฮุบเหยื่อปั๊บเขาก็เาก็กระตุกเบ็ดขึ้นมาเบ็ดมันก็เลยเกี่ยวปากก็เลยทําให้เจ็บปากปลาก็เลยต้องกลายเป็นปลาตายไปพลาก็จะถูกเขาจับเอาไปต้มแกงต่อไป นี่แหะใจของพวกเราก็เป็นเหมือนปลาที่โง่เขาเบาปัญญาที่เห็นเหยื่อชิ้นเล็กๆที่ติดอยู่ปลายเบ็ดว่าคิดว่าเป็นอาหารอันโอชะคิดว่ากินแล้วจะอิ่มหน้ำสำลนันแต่ที่ไหนได้กินแล้วไปถูกตะขอเบ็ดเกี่ยวปากเจ็บแล้วก็ถูกเขาจับไปฆ่าไปแกงต่อไปใจเราก็เหมือนกันพอไปพูปลาบยศสรรเสริญไปฮุบรูปเสียงกลิ่นลดผดทพะแล้วก็เจอความทุกข์ เวลาที่ลาบยศสรรเสริญที่รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆพัดพากจากเราไปแล้วเราก็ถูกเข้าไปจับไปฆ่าไปแกงไปเกิดไปแก่ไปเจ็บไปตายใหมเ่เกิดมากี่ครั้งก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายไปทุกครั้ง น, นี่คือสิ่งที่พวกเราควรจะคิดกันอยู่เรื่อยๆเพื่อที่จะทำให้เราเกิดความกลัวกับการหาความสุขในรูปแบบนี้ความสุข ทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วให้เรามาหาความสุขทางใจกันดีกว่ายอมอดอยากขาดแคลนชั่วครั้งชั่วคราวตอนเริ่มต้นนี้มันจะต้องสละความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมันก็จะทุกข์มากแต่ถ้าเราสามารถควบคุมใจได้สามารถทำใจให้สงบได้มันก็จะพอบรรเทาความทุกข์ได้ยา น, นตอนนี้ ตอนนี้เราควรที่จะมา ห, หาความสุขทางใจกันก่อนหาไปสลับกับการหาความสุขทางร่างกายไปก่อนเช่นวันพระวันหยุดทำงานเราก็มาหาความสุขทางใจกันวันทำงานเราก็ไปหาความสุขทางร่างกายกันพอเรามาหาความสุขทางใจทางวันพระพอได้รับความสุขแล้วเราก็จะมีกำลัง ที่จะเลิกหาความสุขทางร่างกายได้มากขึ้นเราก็จะเพิ่มวันมาหาความสุขทางใจเพิ่มขึ้นจากวันหนึ่งก็เป็นสองวันลดการหาความสุขทางร่างกายให้มันน้อยลงไปจากหกวันเหลือห้าวันแล้วก็เพิ่มความการหาความสุขทางใจไปเรื่อยๆต่อไปเราก็จะเพิ่มความการหาความสุขทางใจไปได้มากขึ้นไปตามลําดับ ลดการหาความสุขทางร่างกายไปได้ตามลําดับจนในที่สุดเราก็จะสามารถใช้เวลาทั้งหมดนี้ให้มากับการหาความสุขทางใจได้คือผู้ที่ออกบวชนี่เขาก็สามารถเลิกหาความสุขทางร่างกายได้แล้วเขาก็มาหาความสุขทางใจได้ทุกวันแต่ก่อนที่เขาจะมาบวชได้เขาก็ทําแบบที่พระพุทธเจ้าสอนให้ทํานี่แหละ ให้หยุดสักวันหนึ่งก่อนวันหยุดทํางานในวันพระมาหาความสุขทางใจกันหยุดหาความสุขทางร่างกายกันแล้วพอได้รับผลเห็นว่ามีประโยชน์มากกว่าความสุขทางร่างกายก็อยากจะหาให้มันมากขึ้นไปเองก็จะเพิ่มจากวันหนึ่งเป็นสองวันจากสองวันเป็นสามวันเพิ่มไปเรื่อย ยิ่งเพิ่มได้มากเท่าไหร่ยิ่งมีความสุขทางใจมากขึ้นเท่านั้นยิ่งมีกำลังที่จะทิ้งความสุขทางร่างกายไปได้มากขึ้นไปเรื่อยๆเจ้านที่สุดก็สามารถที่จะออกบวชได้ไปหาความสุขทางใจเพียงอย่างเดียวทิ้งความสุขทางร่างกายไปอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญและพระสาวกทั้งหลายได้บำเพ็ญกันท่านก็เริ่มจาก ทีละเล็กทีละน้อยเหมือนพวกเรานี่แหละท่านก็ไม่ได้ปรับปรับได้ความสุขทางใจแบบเต็มร้อยเลยท่านก็ได้ทีละเล็กทีละน้อยทาให้มีกำลังใจที่จะหาให้มากขึ้นก็พอหามากก็ได้มากขึ้นไปตามลำดับตามลาดับจนมีกำลังที่จะเลิกหาความสุขทางร่างกายได้แล้วทุ่มเทวเวลาให้กับการหาความสุขทางใจได้อย่างเต็มที่ พอทุ่มเทได้อย่างเต็มที่ไม่นานก็สามารถได้รับความสุขอย่างเต็มที่สามารถที่จะอยู่กับความสุขททางใจได้ตลอดเวลาไม่ต้องไปหาความสุขทางร่างกายอีกต่อไปไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปการกระทำนี้ทุกคนสามารถทำได้ไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นคารวาหรือเป็นนักบวช เพราะว่าทุกคนมีใจเหมือนกันมีใจที่สามารถที่จ ะ, ะเจริญสติได้เหมือนกันมีใจที่สามารถทำใจให้สงบเป็นสมาธิได้เหมือนกันมีใจที่สามารถที่จะศึกษาให้เกิดปัญญาขึ้นมาให้เห็นว่าความสุขต่างๆที่หาจากความอยากนี้เป็นความทุกข์เพราะเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่ไม่มีวันอิ่มไม่มีวันพอพอสูญเสียไป ความสุขที่ได้มาก็หายไปแล้วความทุกข์ก็ตามมาถ้าเห็นด้วยปัญญาเวลาเกิดความอยากที่จะไปหาความสุขทางร่างกายก็จะไม่ไปสู้มาหาความสุขทางใจจะดีกว่าพอไม่ไปหาความสุขตามความอยากต่างๆต่อไปความอยากที่มีอยู่ในใจก็หายไปหมดพอหายไปหมดใจก็จะสงบตลอดเวลา ไม่ต้องทำอะไรอีกต่อไปไม่ต้องนั่งสมาธิไม่ต้องเจริญสติไม่ต้องใช้ปัญญาเพราะตัวที่เป็นปัญหาที่ทำใจให้ไม่สงบคือความอยากต่างๆได้ถูกกรรมจัดไปด้วยศีลสมาธิปัญญาด้วยสติแล้วพอไม่มีตัวที่ทำให้ใจไม่สงบแล้วใจก็จะสงบไปตลอดใจก็เลยไม่ต้องทำอะไรอีกต่อไป อยู่เฉยๆมันก็สงบมันจะไม่มีความอยากได้นู่นได้นี่ไม่มีความอยากได้ลาบยศสรรเสริญไม่มีความอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆสามารถอยู่เฉยๆได้อย่างมีความสุขไม่ต้องกลับมาเกิดมาแกมาเจ็บมาตายอีกต่อไปทุกคนทำได้เพราะทุกคนมีใจเหมือนกันใจของพระใจของโยมนี่เป็นใจเหมือนกันเป็นผู้รู้ผู้คิดเหมือนกัน ใจของเด็กใจของผู้ใหญ่ก็เหมือนกันใจของหญิงใจของชายก็เหมือนกันทุกคนสามารถมาสร้างความสุขทางใจได้ด้วยกันทุกคนสามารถรักษาศีลได้ด้วยกันทุกคนสามารถเจริญสติได้ด้วยกันทุกคนสามารถนั่งสมาธิทำใจให้สงบได้ทุกคนสามารถเจริญปัญญาเพื่อไม่ให้หลงไปทำอะไรตามความอยากได้ทุกคนขอให้เรามาทากันเท่านั้นเอง ขอให้เรามาเริ่มต้นกันในวันวันหยุดการทํางานเอาวันนี้วันหยุดนี้หยุดทํากิจกรรมทางร่างกายหนึ่งวันมาทํากิจกรรมทาง จ, จิตใจมารักษาศีลแปดราจะจริญสติพุโทโธพุโทโธมานั่งสมาธิมาฟังเทศฟังธรรมกันทําสลับกันไป จนถึงเวลาหลับนอนพอตื่นนอนขึ้นมาก็ทําต่อไปจนถึงเวลาที่จะต้องไปทํางานก็หยุดเนทําอย่างนี้ไปทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์แล้วสักวันหนึ่งจะจะต้องเจอกับความสงบอย่างแน่นอนพอเจอแล้วก็จะมีกําลังใจที่จะทํามากขึ้นไปตามลําดับแล้วต่อไปก็จะไปบวชได้ต่อไปก็จะไม่ต้องหาความสุขทางร่างกายอีกต่อไปไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไป นี่คือประโยชน์ของการที่เราได้เข้าถึงความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงคือนาฏสันติพรังสุขขังอยากเข้าได้ก็เพราะเกิดจากการมาได้ยินได้ฟังพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านี้เองเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็จะได้ความรู้ได้รู้ว่ามีความสุขอีกรูปแบบหนึง่งที่เป็นความสุขที่ดีกว่าที่เรากำลังหากันอยู่ในขณะนี้ พอเรารู้แล้วเราก็จะได้เปลี่ยนวิธีหาความสุขกันพอเราเปลี่ยนแล้วต่อไปเราก็จะได้ความสุขที่ดีกว่าเป็นความสุขที่จะทำให้เราไม่ต้องมาทุกข์อีกต่อไปไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปดังนั้นก็ขอให้ท่านมีความเชื่อในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วน้อมนำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ไปปฏิบัติเถิด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 มาเตภวะตวันตรายูสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนศีลิสะนิจังุทธาปจายโนจัตารธรรมวะทานติอายุวันโสุขังภาลัง อน่าเสียดายช่วงแรกที่พูดไม่ได้เปิดไมโครโฟนตัวนี้ก็เลยทางบ้านคงยังไม่ค่อยได้ยินนะออกมาสักสิบนาทีครับสนะินาทีแต่ก็พอได้ยินบ้างแะไม่ดังเพราลืมเปิดสวิตตัวนี้ตัวที่ถ่ายทอดตอนนี้เปิดแล้วเสียงดังแล้วตอนนั้นก็สงสัยเหมือนกันนะทําไมมันเสียงมันค่อยแต่ขี้เกียจไปสนใจนังใจอย่าพูดก็เลยพูดไปเลย ให้ดีดังขึ้นมาตกใจท่านตอนนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านทีอ่อยากจะถามปัญหาขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เพราะว่าหลังจากที่เราเลิกประชุมแล้วจะขออนุญาตไม่ตอบคำถามถ้ามีคำถามช่วงนี้ถึงเวลาที่เราเลิกประมาณหนชั่วโมงหนึ่งนี้เข้ามาถามได้ถ้ายังไม่มีใครถามจะให้ทางพิธ พิธีกรเราม า, าคำถามที่ผ่านที่ทางบ้านถามมาผ่านทางเฟซบุ๊กเข้ามาถามก่อนคำถามจากทางบ้านจากผู้ไม่ประสงค์ออกนานผมจากการปฏิบัติตามคำสอนของพระอาจารย์ได้ระยะหนึ่งรู้สึกประทับใจว่าตรงในบทสวดมนต์แปลคำสอนที่ว่าอากาลิโกคือเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และที่ให้ผลได้ไม่จากัดการ เพราะท่านสอนความจริงคือเมื่อเราเห็นและยอมรับความจริงในศารรมเมื่อไรเราจะเราจะตาสว่างและก็จะทุกข์กับมันน้อยลงเมื่อนั้นเพราะความจริงก็คือความจริงและยังคงทันสมัยอยู่เสมอวางปุ๊บสุขปั๊บยมเข้าใจถูกใช่ไหมคะถูกแล้วเรียกว่าสันติโกด้วยคือผู้ปฏิบัติจะพิสูจน์ได้ด้วยตนเอง ว่าทมของพระพุทธเจ้าเป็นอาการลิโกพอปล่อยปั๊บมันก็สุกปุ๊บเลยพอยึดปั๊บมันก็ทุกปั๊บเลยคำถามเจ้าคุณนะหรือดีเวลาโกรธก็พยายามเอาสติตามให้รู้ว่าเราโกรธอยู่ค่ะพยายามไม่ให้โกรธเขาแต่ความคิดก็คอยดึงกลับมาเรื่องที่ทำให้โกรธ แวบๆมาอยู่เรื่อยต้องสองสามวันถึงหายทาั้งๆที่ท่องเมตตาให้อยู่แต่ก็ตัดตัวโกรธทันทียากมากๆค่ะทำอย่างไรให้มันหายโกรธทันทีคะให้อยู่กับพุโทโธไปจะดีกว่าถ้าเราอยู่กับพุโทโธเราก็จะไม่ไปคิดถึงเขาได้แต่ถ้าเราเมตตาก็แล้วก็ยังไปคิดถึงเขาเมตตาให้เขาเพราะพอคิดถึงเขาเมตตาก็เมตตาไม่ออก อย่าไปเมตตาตอนนั้นพุโทโธอย่างเดียวพุโทโธอย่างเดียวแล้วมันก็จะลืม5นาทีสิบนาทีก็ลืมแล้วล่ะถ้าเราอยู่กับพุโทโธไปคำถามจากคุณหนูหนูรู้สึกทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรม ร, รับรับรับราชการทำงานหนักขยันให้ความร่วมมือกับองค์กรแต่กลับได้รับผลประเมินน้อยเรียกได้ว่าเกือบจะแยก ผู้บริหารอธิบายแล้วก็ฟังไม่ค่อยขึ้นเบื่อมากเลยค่ะจะทำอย่างไรดีคะก็เพราะว่าเราไปอยากให้ได้รับความยุติธรรมนั่นเองถ้าเราไม่ได้อยากเรายินดีตามมีตามเกิดเราก็จะไม่ทุกเราก็จะไม่เบื่อเรฉั้นปัญหาของเราไม่ได้อยู่ที่ความยุติธรรมหรือไม่ยุติธรรมปัญหาของเราอยู่ที่ความอยากให้ได้สิ่งที่เราอยากได้พอไม่ได้เราก็เลยว่ามไม่ยุติธรรม ความจริงคนที่เขาให้เราเขาว่ายุติธรรมแล้วได้แค่ น, นี้ก็ดีแล้วแต่ความอยากของเรามันอยากจะได้มากกว่านั้นก็เลยว่าไม่ยุติธรรมขึ้นมาแต่ถ้าเราตัดความอยากของเราได้ว่ายินดีตามมีตามเกิดเขาให้เราเท่าไหร่เขาว่ายุติธรรมเราก็ว่าตามเขาไปมันก็จะไม่ทุกข์เราก็จะไม่เบื่อคำถามจากคุณกิตดาการออกพิจารณาทางด้านปัญญาทาอย่างไรครับ เหมือนกับการนึกคิดธรรมดาธรรมดาหรือเปล่าครับตัวนึกคิดเนี่ยแต่ให้นึกให้บ่อยเพื่อไม่ให้เดิมตอนนี้เรามักจะเลยว่าเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันนะพอเจอผมงอกหน่อยปั๊บไปหายามายอ ม, มันล ะ, นสะแสดงว่าไม่ยอมแก่ลืมความแก่ไปอยากจะปัดความแก่นี้ความแก่ไปแต่ถ้าเรานึกอยู่บ่อยๆว่าต้องแก่ต้องแ ก, องงอก่ต้องงอกต้องงอกเนี่ย พอมันงอกแล้วก็ปล่อยมันงอกไปเราก็จะไม่ทุกข์กับมันที่ทุกข์เพราะว่าเรายังไม่อยากให้มันงอกคําถามจากคุณดนายคนที่ไม่ได้ออกบวชแต่ปฏิบัติศีลห้าอย่างเคร่งครัดสามารถบรรลุนิพพานคือหลุดพ้นจากวัตตาสงสารได้ไหมครับยากยากที่จะหลุดพ้นได้เพราะว่าไม่มีไม่มีธรรมที่จะทําให้หลุดพ้นได้ ไม่มีไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาก็หลุดพ้นไม่ได้ถ้ามีสติมีสมาธิมีปัญญาก็หลุดพ้นได้ถึงแม้แว่าจะรักษาเพียงศีลห้าแต่ยากเพราะว่าทําไม่มีศีลแปมันจะไม่มีเวลามาสร้างสติสมาธิปัญญากันนอกจากคนที่เป็นกรณีพิเศษ ที่สามารถรักษาศีลห้าแล้วก็สามารถที่จะไปเจริญสติสมาธิปัญญาได้ถ้าเจริญได้ก็แสดงว่ามันก็ต้องมีศีลแปดเพราะมันจะไม่ไปยุ่งกับกิจกรรมอย่างอื่นอยู่ดีนั่นเองยังต้องมีศีลสมาธิปัญญามีศีลห้าเพียงอย่างเดียวนี้ไปไม่ได้ไปไม่รอดคําถามจากคุณชิลาลดนะครับ ผมบันจักรยานออกกำลังกายไปพร้อมๆกับดูลมหายใจและฟังธรรมะจากพระอาจารย์สามารถทำได้พร้อมกันเลยสมาธิต้องอยู่กับสิ่งเดียวมิใช่หรือครับคำถามคือสติอยู่ที่ไหนสมาธิอยู่ที่ไหนในสามอย่างที่ทำพร้อมกันครับก็มันไหนก็จะวิ่งไปวิ่งมาในสามอย่างนั่นไงเดี๋ยวก็จะดูจักรยานดูทางเดี๋ยวก็ดูลมเดี๋ยวก็ฟังธรรมไป มันก็ยังวิงวนอยู่สามเรื่องมันยังไม่เป็นสมาธิเขาเรียกว่าเพียงดต่มันไม่ฟุ้งซ่านมันไม่ไปคิดถึงเรื่องอื่นเท่านั้นเองถ้าอยากจะให้มันเป็นสมาธิเป็นรวมรวมเป็นหนึ่งนี่มันต้องจอดจักรยานแล้วก็นั่งอยู่ข้างทางนั้นแล้วก็ดูลมอย่างเดียวอย่างนั้นนะ่ะถึงจะรวมเข้าสู่สมาธิได้คําถามจากคุณประดิษฐ์นะครับ จิตของเรานี้เป็นพลังงานอย่างหนึ่งใช่ไหมครับซึ่งอยู่ตรงกลางหน้าอกใช่ไหมครับและมีสภาวะเหมือนแม่เหล็กเหมือนพลังงานไฟฟ้าซึ่งทางกายภาพมันจะเป็นแสงสีต่างๆใช่ไหมไม่ใช่หรอกไม่ใช่จิตเป็นผู้รู้ผู้คิดไม่ใช่เป็นพลังงานผู้รู้สิ่งต่างๆที่มาสัมผัสทางตาหูจมูกนิ้นกายนี้จิตเป็นผู้รับรู้ ร่างกายเป็นเพียงผู้แต่ส่งข้อมูลมาให้จิตผู้รับรู้อีกทีหนึ่งเท่านั้นเองคำถามจากคุณนัทยานะครับเวลานั่งสมาธิอาการตกหลุมตกบ่อมีอาการเป็นอย่างไรเจ้าคะก็ต้องเจอมันถึงจะรู้นะเหมือนคนที่หลับตาแล้วถามว่ า, าภาพที่อยู่ข้างหน้านี้เป็นอย่างไรอธิบายยังไงมันก็มันก็นึกไม่ออกต้องเปิดตาดู ถ้าเปิดตาดูแล้วก็จะรู้เองอยากจะรู้ว่าตกหลุมตกบ่อเป็นยังไงก็พุทธโทรไปเรื่อยๆแล้วนั่งเฉยๆนั่งหลับตารับรองได้เดี๋ยวก็จะเจอเองเจอแล้วก็จะร้องอ๋อเป็นอย่างนี้เองสิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นคำถามจากุณสีนาทนะครับการที่คนเราเมื่อเจอของชอบถูกใจก็จะดีใจสักพักอารมณ์นั้นก็หายไปขอเรียนถามว่า อารมณ์ความรู้สึกนั้นไม่ได้เกิดจากธาตุทั้งสี่แต่อารมณ์ที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปขอคําอธิบายด้วยค่ะเกิดเกิดภายในจิตไงเกิดจากความที่ได้สัมผัสรับรู้สิ่งที่อยากได้ก็เกิดอารมณ์ดีใจขึ้นมาแล้วมันก็หายไปมันไม่เที่ยงไป น, นั้นอนิจจังเป็นอนัตตามันจึงทําให้เราทุกข์กันเพราะว่าพออารมณ์นั้นหมดไปสิ่งที่เราได้มาก็ไม่มีความหมาย เราก็อยากจะได้สิ่งใหม่ขึ้นมาเพื่อจะได้เกิดอารมณ์ใหม่ขึ้นมาอีกคำถามจะคุณอนัตตานะครับผู้ที่มีจริตติดกับความคิดความปรุงแต่งเวลานั่งสมาธิหรือสวดมนต์สักแป๊บเดียวจิตก็จะแวบออกไปคิดควรแก้ไขอย่างไรคะก็ให้คิดในเรื่องที่มันไม่แวบไปคิดถึงอาการสาสิบสองของร่างกายก็ได้ ขั้นต้นก็ลองท่องชื่อสาสิบสองอาการไปก่อนผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกเนี่ยท่องไปกลับไปกลับมาให้อยู่กับความคิดเหล่านี้มันก็ไม่ไปคิดถึงเรื่องอื่นได้แล้วมันพอไม่ไปคิดแล้วใจก็จะว่างเย็นสบายแล้วถ้าอยากจะให้มันนิ่งเต็มที่เราก็คิดอยู่กับอาการเดียวคิดถึงผมก็ได้ขนก็ได้เล็บก็ได้อาการใดอาการหนึ่งโครงกระดูกก็ได้ คิดเห็นโครงกระดูกหลับตานึกถึงโครงกระดูกนึกถึงมันเรื่อยๆเดี๋ยวจิตก็รวมเข้าสู่ความสงบได้แล้วก็ต้องเพ่งต้องเพ่งอยู่กับอาการใดาอาการหนึ่งที่เราถูกเจริญ ก, กับเราคําถามจะคุณน้อยนะครับข้อที่หนึ่งโยมเห็นคารวาสหลายคนตั้งตัวเป็นผู้สอนผู้นาาําศาสนาและเห็นมีผู้ศรัทธามากเกิดความสงสัยว่า ผู้ที่ไม่ได้บวช ok สามารถสั่งสอนได้โดยไม่ผิดหลักธรรมหรือเจ้าคะก็ไม่แน่ว่าผู้ที่สอนนั้นรู้จากความจำรู้จักรอ้รู้จักความจริงถ้ารู้จักความจำนี้มันก็อาจจะคาดเคลื่อนจากความจริงได้เพราะเป็นจินตนาการคิดไปเองคือได้ศึกษาจากหนังสือหรือได้ศึกษาจากการฟังจากผู้อื่นมาก่อน แต่ตนเองยังไม่ได้ปฏิบัติเหมือนท่านผู้ที่เมื่อกี้ถามคนแรกที่บอกว่าพอปล่อยปุ๊บก็เย็นปับ๊บพอยึดปั๊บก็ร้อนปั๊บเนี่ยอันนี้รู้อย่างแท้จริงรู้จากการปฏิบัติถ้ารู้จากการปฏิบัติสอนก็ไม่ผิดพลาดถ้ารู้จากการฟังเพียงอย่างเดียวนี้โอกาสที่จะผิดพลาดนี้มีอยู่ฉะงนั้นเวลาฟังอะไรพระพุทธเจา้าจึงสอนว่าอย่าต้องฟังหูไว้หู อย่าเชื่อทันทีแต่อย่าปฏิเสธให้เอาไปพิสูจน์สิ่งที่เขาสอนก่อนว่าเป็นอย่างที่เขาพูดหรือเปล่าถ้าเราไปศึกษากับครูบาอาจารย์ไม่ว่ากับใครแม้แต่ที่นี่ก็เหมือนกันเมื่อฟังแล้วก็ต้องเอาไปปฏิบัติเอาไปพิสูจน์อีกทีถ้าพิสูจน์แล้วเป็นไปดังที่ได้ยินได้ฟังมาก็ถือว่าผู้สอนนี่สอนอย่างถูกต้อง ถ้าเอาไปปฏิบัติแล้วไม่เป็นอย่างที่ผู้สอนสอนก็แสดงว่าสอนผิดเนีเหมือนกับหมอที่ให้ยาคนไข้ไปคนไข้ก็ต้องเอายาไปกินถ้ากินแล้วไม่หายกลับเจ็บมากขึ้นก็แสดงว่าหมอให้ยาผิดให้ยาพิษไม่ใช่ยาิอันนี้ต้องพิสูจน์ถึงจะรู้จริงว่าคนสอนนั้นสอนจริงหรือไม่สอนไม่จริงรู้จริงหรือรู้ไม่จริง ที่สองนะครับเราจะสามารถถือศีลแปดให้ได้ครบถ้วนอย่างไรถ้ายังต้องทำงานไปด้วยโดยไม่เดือดร้อนก็ทำวันที่ไม่ได้ทำงานสิถือวันที่ไม่ทำงานก็บอกแล้วว่าวันอาทิตย์หนึ่งก็มีหยุดสองวันไม่ใช่นเช่นวันเสาร์วันอาทิตย์นี่ก็ถือสิไม่ได้ทำงานก็ไม่ได้ทางานก็จะไปเที่ยวอีกพอไปเที่ยวมันก็ถือไม่ได้อี ถ้าอย่างนี้ก็ไม่มีวันที่จะได้ไปปฏิบัติไม่มีวันที่จะได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงข้อที่สามการสอบอารมณ์ถ้าเราสอบด้วยตัวเองจะรู้อย่างไรว่าเราจะไม่โดนกินเลส ข, ของตัวเองหลอกก็ต้องรู้ว่าเนี่ยพอพอจับปุ๊บก็ทุกปั๊บเลยพอปล่อยพวบก็ ก็หายทุกเลยนี่ก็จะรู้ได้รู้ที่ตัวทุกหรือไม่ทุกนี่คำถามนะครับจากคุณพักพักผักกุ้มนะครับคนที่แต่งงานกันคือเป็นเจ้ากรรมในเวรกันหรือเจ้าคะไม่เราเป็นคนที่มีการด้วยกัน <laughs> ไ, ม, ไ ม, รรม่ไม่ใช่คู่กรรมก้จะคู่กามโอเคครับจากสามเนณนพิทิวัดนะครับพระอรหันต์ที่เข้าสู่นิพพานแล้วเมื่อดับขันไปท่านจะไปยังที่ใดไปยังดินแดนนิพพานของพระอรหันต์และพระพุทธเจ้าทุกพระองค์หรือจิตท่านจะดับไปอย่างสิ้นเชิงโดยไม่มีดินแดนอันใดอีก กับผมอยากทราบจากทัศนคติของพระอาจารย์ครับตัวผมเองไม่ได้สนว่าจะเป็นอย่างไรถ้าถึงนิพพานเดี๋ยวรู้เองพิสูจน์ด้วยตัวเองแต่เพียงอยากทราบเพื่อไว้ตอบแก่ผู้อื่นได้บ้างคือนิพพานมันอยู่ในจิตของเราเนี่ยตอนนี้พวกเรามีจิตกันทุกคนและจิตของพวกเราก็อยู่ที่โลกทิพย์มันไม่ได้ไปเคลื่อนย้ายไปที่ไหนจิตเราอยู่ที่โลกทิพย์ แต่ที่เคลื่อนไปเคลื่อนมานี่คือร่างกายของเราร่างกายเรานั่งเครื่องบินไปประเทศต่างๆมันก็ไปแต่ตัวจิตมันก็ยังอยู่ที่เดิมอยู่ที่โลกทิพย์เพราะจิตมันสามารถเชื่อมต่อกับร่างกายโดยผ่านกระแสวิญญาณทั้งห้าคื อ, อโสดาิญญาณจักขุวิญญาณเป็นต้นแต่ตัวจิตนี้อยู่ที่เดิมและเวลาจิต บรรลุถึงนิพพานก็หมายถึงจิตชำระใจจิตของตนเองให้สะอาดบริสุทธิ์กำจัดความโลภกดหลงความอยากต่างๆหมดไปจิตก็ยังอยู่ที่เดิมไม่ได้ไปไหนก็ยังอยู่ที่โลกทิพย์เพราะจิตมันไม่มีร่างมันไม่ไม่มีรูปร่างเหมือนร่างกายมันจึงไม่ต้องมีที่ที่จะตั้งอยู่จิตไม่มีรูปร่างมีแต่ความรู้สึกนึกคิดมีแต่โลภกดหลงหรือไม่โลภกดหลงถ้าไม่โลภกดหลงก็เป็นนิพพานไป ถ้าโรคกดหลงก็ยังเป็นจิตปุถุชนยังเป็นจิตที่ยังจะต้องส่งกระแสจิตไปเกาะร่างกายต่างๆไปแล้วก็ไปทุกกับร่างกายที่ไปเกาะเท่านั้นเองใ น, นเวลาที่ร่างกายอยู่หรือไม่อยู่จิตก็อยู่ที่เดิมจิตจะเป็นนิพพานหรือไม่นิพพานก็อยู่ที่ว่าตัดความโรคกดหลงหมดไปได้หรือเปล่าในพระพุทธเจ้าเนี่ยตัดความโรคกดหลงไปได้ในวันเพ็ญเดือนหกตอนที่นั่งอยู่ใต้โคนต้นโพนั้น จิตของพระพุทธเจ้าเป็นนิพพานแล้วบริสุทธิ์แล้วปสัสแจากโลภกฎหลงแล้วแต่ร่างกายของพระองค์ก็ยังยังอยู่จิตก็ยังติดต่อกับร่างกายของพระองค์ต่อไปจนถึงวาระสุดท้ายในวันวันเพ็ญเดือนอะไรเดือนแเดือ น, เ ด, อนเดือนหกเหมือนกันวันตอนที่สเสด็จ ด, ดับขันพระบริณีพานก็หมายถึงว่าวันที่ร่างกายนี้ตายไป พอร่างกายนี้ตายไปกระแสจิตที่ส่งมาเกาะกับร่างกายนี้ก็ก็ตัดกันกระแสจิตก็ไม่ก็กลับไปอยู่ที่จิตไม่กลับมาเกาะที่ร่างกายจิตก็ยังอยู่ที่เดิมอยู่ในโลกทิพย์เหมือนเดิมไม่มีการเคลื่อนไหวแต่เป็นจิตที่สะอาดบริสุทธิ์จิตที่ไม่ต้องส่งกระแสจิตมาเกาะตามร่างกายอีกต่อไปเพราะไม่มีความอยากเป็นตัวกระตุ้นให้ส่งกระแสออกมาเนี่ย วิชาปัจจญาสังขาราเพราะสังขาราปัจจญาวิญญาณังเห็นไหมวิญญาณก็คือกระแสวิญญาณที่ส่งมาเกาะติดกับตาหูจมูนกนิก้ว ก, กายก็เกิดผัสสะพอมีตาหูจมูกนิ้วกายก็เกิดผัสสะผาสสก็คือการสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะพอสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะก็เกิดเวทนาความรู้สึกขึ้นมาพอเห็นภาพไปก็เกิดความรู้สึกขึ้นมา สุขบ้างทุกข์บ้างไม่สุขไม่ทุกข์บ้างขึ้นมาพอเกิดเวทนาขึ้นมาก็เกิดตัณหาถ้าสุขก็อยากได้ถ้าทุกข์ก็อยากทิ้งมันมันก็ตัณหามันกันอยากได้หรืออยากทิ้งมันก็เป็นตัณหาพอเกิดตัณหาก็เกิดอุปทานความยึดติดได้อะไรมาก็ยึดติดก็เกิดภาวะอยากจะได้อยู่เรื่อยๆคาว่าภาวะก็อยากได้อยู่เรื่อยๆอยากได้ของแบบนี้ไปเรื่อยๆ พอร่างกายนี้ตายไปก็ไปเกิดใหม่ไม่เกิดแก่เจ็บตายใหม่เนี่ยนี่คือเรื่องของจิตที่ส่งกระแสมาเกาะที่ร่างกายเริ่มต้นที่อาวิชาตัวหลงหลอกให้จิตปรุงแต่งไปหาความสุขทางร่างกายกันก็เลยส่งกระแสจิตมาเกาะที่ตาหูจมูกเล่นกายแล้วก็มาเสบรูปเสียงกลิ่นนด เกิดสุขเวทนาทุกเวทนาแล้วเกิดตัณหาความอยากเกิดอุปาทานเกิดภาวะเกิดการเวียนว่ายตายเกิดตามมาแต่ถ้าเป็นจิต ท, ที่บริสุทธิ์จิตก็จะไม่มีอวิชชาปัจจยาสังขารจิตก็จะมีธรรมาปัจจยาสังขารธรรมะก็จะสอนว่าทุกอย่างไม่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราจิตก็ไม่ส่งกระแสออกมาเกาะที่ร่างกายเพราะมันรู้ว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ะ พอไม่ส่งกระแสออมาเกาะก็ไม่มีการเกิดไม่มีการแก่ไม่มีการเจ็บไม่มีการตายตามมาธรรมาสการค่ะหลวงพ่ อ, เ, อ, อเรื่องก็เกิดขึ้นเมื่อตอนสายๆของวันนี้มีเพื่อนซึ่งไม่สบายใจเราก็มาเที่ยวหาที่บ้านบอกว่าเออเ อ, อ๋ถามจริงๆว่าทำยังไงถึงจะหายกอด หนูก็เลยมาฟังธรรมะบนเขาได้ประมาณหนึ่งหนูก็บอกว่าเหมือที่พระอาจารย์พูดหนูก็บอกว่าเมตตาใช้คาว่าให้บอกเมตตาก็าถามว่าเมตตาอย่างไงมันเมตตาไม่อยู่หนูก็บอกว่าให้คิดว่าเขาเป็นคนที่เรารักที่สุดในบ้านแล้วเราก็จะรู้สึกดีทีนี้เขาก็เลยบอกว่าเขาไม่มีครอบครัวเขาเลี้ยงหมาตัวหนึ่งเ ข, เขาเาเกลียด ตูให้เปรียบเหมือนหน้าหมาที่เขารักได้ไหมเจ้าคะแล้วทีนี้หนูก็เลยมีความรู้สึกไม่สบายใจว่าเอ๊สิ่งที่เราแนะนำคำว่าเมตตาไปเนี่ยเขาดันเอาไปเปรียบกับหมาที่เขารักเขาเจ้าคะาก็ไม่เป็นไรไงถ้าทำให้เขารักคนนั้นได้แทนที่จะเกลียดเขาก็ได้เหมือนกัน แล้วก็ไม่โกรธเขาให้อาภัยเขาได้สาธุค่ะแล้วหนูก็สบายใจเพราะเขาก็ดีใจกลับบ้านไปแล้วเขาก็บอกว่าโอ้โอฉันรักขนมจีเพราะเขาไม่มีครอบครัวเขาเลี้ยงหมาตัวหนึ่งแล้วเขาก็ดีใจกลับบ้านไปแล้วแต่หนูกับคิดว่าหนูไม่สบายใจทําไมเอาสัตรตูมาเปรียบเป็นหน้ามาอ๋อก็ไม่เป็นไรเพราะหมาเป็นตัวเป็นสิ่งที่เขารักเขาไม่มีอะไรจะรักมากเท่ากับหมาเขาก็เลยต้องใช้หมาเป็นเครื่องที่จะทําให้เขาเกิดความรักขึ้นมา พอเขารักแล้วเขาคิดถึงคนที่มาทำให้เขาโกรธว่าเป็นหมาที่เขารักเขาก็เลยไม่โกรธสาธุค่ ะ, ะคำถามข้อต่อไปจากคุณสัญญานะครับก่อนอื่นผมรักษาศีลเห็นความจริงของร่างกายจากการพิจารณาขอถามว่าการมีสติอยู่กับปัจจุบันรู้การกระทำของร่างกายทุกขณะ เมื่อทำบ่อยๆความคิดต่างๆที่เคยมีจะหายไปจิตจะติดอยู่กับปัจจุบันไม่คิดเรื่องอื่นจะเกิดความสงบภายในและว่างจากความคิดทั้งมวลผมหมายถึงใจจะไม่นึกถึงอะไรทั้งหมดเรียกว่าสมองเกิดความโล่งก็ได้ครับการทำงานได้ตามปกติคิดกับการทำงานได้ตามปกติแต่สามารถรู้ได้ว่าเสร็จงานแล้วจะเสร็จเท่านั้นใจไม่คิดอะไร จะเห็นได้ว่าความวุ่นวายทั้งหมดเกิดจากความคิดและฝังอยู่ภายในใจที่เรียกว่าหลงใช่หรือเปล่าครับก็จะว่าหลงก็ได้ที่เราปล่อยให้ใจเราคิดเรื่องราวต่างๆถ้ามีปัญญาก็รู้ว่าอย่าคิดดีกว่าคิดแล้วทำให้เราไม่สบายใจคิดไปทำไมหยุดความคิดแล้วเราก็จะได้พบกับความสุข คำถามจากคุณดอกบัวนะครับจิตยอยู่ที่โลกทิพย์หมายถึงอยู่ที่ไหนเจ้าคะก็จนะเพ็นแต่บอกให้รู้ว่ามันไม่ใช่โลกนี้ไงเพราะว่าโลกทิพย์ก็อยู่อีกโลกหนึ่งเหมือนกับโลกพระจันทร์ก็แล้วกันเปรียบเทียบแต่มันไม่มีที่เพราะว่าโลกทิพย์มันไม่ได้มีที่เหมือนกับโลกพระจันทร์เรือดวงอาทิตย์ดวงดาวเพราะว่าสิ่งที่อยู่ในโลกทิพย์มันไม่มีรูปร่างพูดว่าอีกมิติหนึ่งก็แล้วกันอ้า เราอยู่อีกมิติหนึ่งไม่ใช่อยู่ในมิติของที่เราอยู่กันมิติของร่างกายกับมิติของจิตนี่คนละมิติกันแต่เชื่อมต่อกันได้ด้วยกระแสของจิตที่มาเกาะที่ร่างกายเนี่ยคำถามจะคุณกรุงจินนะครับจิตคือผู้รู้ใช่ไหมครับพระอาจารย์อธิบายโดยพิสดารครับผู้รู้กับผู้คิดไงมีทั้งรู้มีทั้งคิดเนี่ย มีความรู้สึกนึกคิดเรยว่าจิตร่างกายนี้ไม่รู้สึกนึกคิดร่างกายนี้เป็นเหมือนตุ๊กตาตัวหนึ่งคิดเองไม่เป็นไม่รู้อะไรทั้งนั้นเห็นภาพก็ไม่รู้ว่าเห็นภาพอะไรได้ยินเสียงก็ไม่รู้ว่าได้ยินเสียงอะไรเหมือนกล้องไอโฟนนี่แหละมันไม่รู้หรอกว่ามันกําลังเอถ่ายภาพอะไรมันกําลังรับเสียงอะไรมันทําแต่หน้าที่ของมันไปคนที่รู้ก็คือพวกเราเนี่ยที่นั่งดูมันรับเสียงจากเครื่องไอโฟนที่อยู่ทางบ้านตอนนี้ คนที่รู้ก็คือจิตเนี่ยเราก็ต้องมีร่างกายถึงจะสามารถดูภาพฟังเสียงได้แล้วภาพะเสียงก็ถูกส่งไปที่จิตด้วยกระแสจิตที่มาเกาะที่ตากับหูพอจิตได้รับเสียงแล้วก็เอามาแปลสัญญาณอีกทีเพราะว่าเสียงมันก็เป็นแค่เสียงมันเป็นภาษาถ้าเราไม่ได้เรียนภาษาของเสียงนี้เราก็จะไม่เข้าใจ เปนเมื่อกี้เราพูดภาษาอังกฤษนี้คนนี้ไม่เคยเรียนภาษาอังกฤษมาฟังก็ไม่เข้าใจฝลังที่ฟังภาษาไทยก็ฟังไม่เข้าใจเพราะเขาไม่เรียนภาษานี้มาตัวที่มามาแปลเสียงนี้ก็คือตัวจิตตัวจิตนี้จะแปลเสียงได้ก็ต้องเคยศึกษาเสียงชนิดนี้มาก่อนว่ามีความหมายว่าอย่างไรพอเข้าใจความหมายจากเสียงนี้ก็เกิด เกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาถ้าเป็นเสียงชมก็ดีใจถ้าเป็นเสียงด่าก็เสียใจแล้วก็เกิดตัณหาความอยากตามมาต่อไปคำถามจากคุณออสนปเก้านะครับพระอรหันต์ท่านมีโรคโกรธหลงไหมครับหรือว่าท่านยังมีปกติแต่ท่านละได้ในอารมณ์นั้นๆได้ง่ายและรวดเร็วคุณถามอยเป็นพระอรหันต์อยู่แล้วนะี่ คุณก็ตอบไปแล้วเนี่ย <c oughs> ก็ไม่ต้องตอบแล้วพูดตามหลักธรรมก็บอกไม่มีโลภโกรธหลงหรือว่ามีกะมีโลภโกรธหลงแต่ก็ไม่โลภโกรธหลงตามมันอ่าอย่างนี้เป็นไงฟังพอเข้าใจไนะอาอาจจะโลภก็ได้แต่แต่รู้ทันว่าไม่โลภอะ เวลาโกรธก็รู้ทันก็ไม่โกรธหรือว่าไม่โลบไม่โกรธเลยก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ได้ทั้งนั้นขออย่าให้มันโลบโกรธหลงอย่าให้มันทุกข์กับมันก็แล้วกันคำถามจากคุณชดาพร น, นะครับทาอย่างไรจึงจะหลุดพ้นจากการอาฆาตพยาบาทคนที่ทำให้เราเสียใจเสียทรัพย์สิน ทั้งที่หลายๆครั้งก็อโหสิกรรมให้ไปแล้วแต่บางครั้งก็ยังกลับมาอาฆาตพยาบาทเช่นเดิมอยากหลุดพ้นจากความรู้สึกนี้เจ้าค่ะออก็อย่าไปอยากให้เขาไม่ทำอย่างนี้สิเขาปล่อยให้เขาทำไปปล่อยให้เขามาโกงเรากินเราไปเรื่อยๆคิดว่าเป็นการทำบุญไปทำบุญแล้วเราก็จะไม่โกรธคิดว่าเป็นการทำบุญ ที่ว่าการที่เขามากงเรามากินเรามาเอาสมบัติของเราไปก็ถือว่าเป็นการทำบุญไปหรือเป็นการใช้นี่ไปเราก็จะไม่โกรธเขาเพราะเราก็ห้ามเขาไม่ได้ใช่เราไปห้ามเขาไม่ให้มาโกงมาหลอกเราเมื่อเร า, เรายัางต้องติดต่อเขาต้องเจอกันอยู่เราก็ต้องถ้าเราไม่อยากจะโกรธเขาเราก็ต้องพลิกความคิดของเราใหม่อย่าไปอยากให้เขามาไม่โกงเราเราก็ต้อง เราก็ต้องยินดีตามมีตามเกิดเขาจะโกงเราก็ปล่อยเขาโกงไปตายไปเขาก็เราก็เอาไปไม่ได้เขาก็เอาไปไม่ได้ตายไปก็เหมือนกัน <c oughs> ถ้าเราไม่เดือดร้อนเราก็ไม่เป็นปัญหาถ้าเราเดือดร้อนเราก็ต้องหาวิธีป้องกันไม่ก็มาโกงเราถ้าเราโง่ปล่อยให้ถ้าเขาโกงเราได้ก็แสดงว่าเราโกงก่กว่าเขา คำถามต่อเนื่องเรื่องความโกรธนะครับจากคุณเสรวุฒินะครั บ, รบมีวิธีทำให้ใช้ชีวิตแบบไม่โกรธใครเลยได้ไหมครับได้ก็ยินดีตามมีตามเกิดนะอย่ากไปอยากได้เลยจากใครแล้วจะไม่มีวันโกรธใครหรอกที่โกรธเพราะอยากก็ไม่ได้ดังใจอยากนี่เองก็โกรธอยากให้เขาชมเราพอก็ไม่ชมเราก็โกรธอย่าให้เขาดีกับเราพอก็ไม่ดีกับเราเราก็โกรธอยากให้เขาตามใจเราพอก็ไม่ตามใจเราก็โกรธ ถ้าไม่มีความอยากไจะไปโกรธอะไรใช่ไมคำถามจากคุณนาตยานะครับนั่งสมาธิแล้วเกิดจิตบูบลงไปค่ะแล้วเหมือนจิตอยู่ในอวกาศไม่เห็นกายเห็นแต่จิตนั่งไปสักพักเกิดกลัวอาการแบบนี้ทำอย่างไรต่อเจ้าคะต้องนั่งต่อไปใช่ไหมก็มันดีอยู่แล้วไปกลัวทำไมทำไมอยู่ดีๆไปกลัวมันทาไมมันเกิดอะไรขึ้นมันทาอะไรเราหรือเปล่า ก็ให้รู้ไปอย่าไปกลัวกลัวก็รู้ว่ามันกลัวแล้วก็ปล่อยมันแล้วมันก็หายไปเราก็ประคับประคองสติอยู่อยู่กับความว่างนี้ต่อไปถ้ามันเป็นความสุขมันจะไม่กลัวหรอกนี่อาจจะไม่ว่างจริงก็ได้อาจจะเกิดเป็นความว่างที่เกิดจากความคิดปรุงแต่งขึ้นมาก็ได้ถ้ามันว่างจริงมันจะมีความสุขมากมันจะไม่มีความรู้สึกกลัวเลยความนักชังกลัวหลงจะไม่มีในความว่างที่แท้จริงถ้ายังมีอยู่ก็แสดงว่ายังไม่ว่างจริง จากสามเณรพิธิวัตนะครับพระอนาคามีท่านยังต้องเกิดอีกใหม่ครับเคยได้ยินมาผ่านๆแต่ไม่มั่นใจถ้าไม่ต้องกลับมาเกิดในการมาพบการมาพบก็ที่เกิดของมนุษย์ของเทวดานี้ท่านไม่ต้องมาเป็นมนุษย์ไม่ต้องมาเป็นเทวดาแต่ท่านยังไปเกิดเป็นพรหมอยู่ยังเกิดในพรหมโลกเพราะท่านยังมีกิเลสยังติดอยู่กับสวรรค์ชั้นพรหมอยู่ แต่ท่านไม่ติดอยู่กับสวรรค์ชั้นกามาพบคือไม่ต้องมีร่างกายไม่หาไม่ต้องมาหาความสุขผ่านทางร่างกายอีกต่อไปแต่ท่านยังหาความสุขจากความสงบในระดับของรูปปัจจานกับอรูปปัจจานอยู่ท่านต้องปล่อยความสุข น, นั้นไปท่านถึงจะหลุดพ้นจากจากพมมาพบจากจากพบของพรมพอหลุดแล้วท่านก็จะไปถึงพระนิพพานคําถามหมดแล้วครับอาจารย์ มีใครอยากจะถามมั้ยได้ยางนั้นก็เอาแค่นี้ก่อนนะะวันนี้ก็ได้น้ำได้เนื้อพอสมควรก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพนิสพิารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทิด